Mm ¶¶ -hmm. ทุกครั้งที่เราทำวัดไม่ว่าวัดชาวัดเย็นเราก็มีการแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศบุญผุญสนไปให้กับสรรพสัตว์นะตั้งแต่อุปชาอาจารย์พ่อแม่ผู้มีพระคุณผู้เป็นกลางผู้จองผานผู้เป็นกลางคือผู้ที่เรารู้สึกเฉยเฉยกับเขา ไม่ได้บวกหรือลบรวมไปถึงผู้ที่จ้องพลายก็คือผู้ที่คิดร้ายกับเราแล้วก็ทําบุญหรือว่าอุทิศบุญไปให้บุญเนี่ยนะมันเป็นคําที่สําคัญในพุทธศาสนาแล้วก็มีความหมายหลายแง่บุญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ในความหมายหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่สามารถจะอุทิศไปให้กับ ผู้อื่นได้อ่าซึ่งรวมไปถึงผู้ที่ลงรับนะบุญอีกความหมายหนึ่งก็คือสิ่งที่จะช่วยคำจุนหนุนส่งให้ประสบความสุขความเจริญนะอย่างที่หลายคนเนี่ยทําบุญก็หวังว่าหรือเชื่อว่าจะทําให้เกิดโชคเกิดลาบทาให้เกิดความมั่งมีสีสุขทาให หายเจ็บหายป่วยนะอันนี้ก็คือบุญที่คนไทยหลายคนรู้จักแล้วก็อยากจะทำให้มากๆแต่มีบุญอีกอย่างหนึ่งนะที่มันสำคัญไม่น้อยอาจจะสำคัญยิ่งกว่าบุญอีกสองประเภทที่เรากล่าวถึงนะก็คือสิ่งที่ช่วยชำระจิตใจให้ ผ่องใสให้เป็นสุขนะช่วยชำระจิตใจให้หายหมลหมองนะช่วยชำระ ก, กิเลสให้เลื่อนหายไปจากจิตใจนะบุญส่วนนี้เนี่ยชาวพูดจจำนวนมากนะไม่ค่อยรู้จักหรือว่าไม่ค่อยสนใจเท่าไหรท่ทั้งทั้งที่ มันเป็นบุญที่มีอนิสงส์ทันทีคือทําแล้วนี่ก็เกิดขึ้นนะกับจิตกับใจของเราทันทีไอ้บุญที่เราอุทิศไปให้กับผู้ที่งรงลับเนี่ยหรืออุทิศให้กับคนที่เราเคารพนับถื อ, เ, อเช่นพ่อแม่เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าถึงหรือเปล่าคนที่งรงลับเขาอยู่ในภพภูมิ นที่ควรกับการรับบุญนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยเมื่อเราทําบุญโดยเพรา ะ, ะการทำเป็นสังฆทานเนี่ยเพาะสัตว์ที่อยู่ในเปตภูมิเท่านั้นนะที่จะรับทานที่เราทําให้หมายความว่าถ้าอยู่ในนรกนะเป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอสุรกายเนี่ยก็ไม่ได้รับ นะทานนะที่เราทำไปให้หรือไม่ได้รับบุญที่เรานะอุทิศไปใหนะ้คือว่าต้องอยู่ในผู้ที่ลงรับก็ต้องอยู่ในภพภูมิที่เหมาะนะเพราะว่าแต่ละภพภูมกิก็มีอาหารไปต่างกันอย่างมนุษย์หรือเดรัจฉานเนี่ยอาหารนะก็คือข้าวปลานะคือผักนะส่วนสัตว์ที่อยู่ในเปตภูมเนี่ยอาหารก็คือส่วนบุญนะ ที่มนุษย์เราหรือลูกหลานนะอุทิศไปให้กรนีถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในเปตภูมิก็ไม่รู้ว่าจะอุทิศไปให้ถึงหรือเปล่านะทำไปเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ถึงก็ได้แต่พระเจ้าก็ตรัสว่าไม่ต้องห่วงนะว่าสิ่งที่ทำไปมันจะสูญเปล่าพระเจ้าตอบว่าเนี่ยญาต หรือว่าสาโลหิตที่ออยู่ในภพภูมิที่เหมาะแล้วก็รอรับส่วนบุญจากเราเนี่ยยังมีอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําไปเนี่ยไม่ไม่มีศูนย์เปล่านะถึงแม้ว่าเราจะเจาะจงไปให้กับผู้ที่ลงรับบางคนและบางเอิญเขาไม่ได้อยู่ในภพภูมิที่จะรับส่วนบุญนั้นได้ก็ยังมีญาติพี่น้องสาโลหิตมากมายนะที่อ สามารถจะรับส่วนบุญจากเราได้นะอันนี้พูะเจ้าก็พูดเพื่อว่านะอย่าไปอย่าไปคิดว่าหรือจะไปสงสัยว่าทำแล้วจะถึงหรือเปล่านะนะนะเพราะถึงแม้ว่าคนที่เราตั้งใจจะส่งไปให้นี่เขาไม่ได้รับแต่ว่ามีมากมายที่ยังได้รับได้อันนี้คือบุญที่เราอุทิศไปให้บางทีเราอุทิศไปเนี่ยนะ ก็ต้องอาศัยนะเทวดาช่วยบอกด้วยนะอย่างตอนทำวัดเช้าเนี่ยนะก็จะมีข้อความบอกว่าเนี่ยว่า ส, สัตว์ใดที่รับส่วนบุญนั้นนะขอจงอนุโมทนาด้วยนะสัตว์ใดที่ยังไม่รับส่วนบุญก็ขอให้เทวดาบอกสัตว์หลันั้นให้รู้นะต้องอาศัยเทวดาบอกนะเป็นสื่อให้เขาได้รับรู้รนะี่พูดมาเพื่อที่จะบอกว่ า, าบุญที่เราที่ไปให้เนี่ย บางทีก็เราก็ไม่แน่ใจนะหรือก็ไม่มีหลับประกันว่าจะไปถึงคนที่เราตั้งใจอุทิศให้หรือเปล่ า, าส่วนบุญที่เราค า, าดหวังว่าจะช่วยดลบัรดาให้เราเกิดความมั่งมีสีรสุขนะรอดตายหายป่วยนะร่ารวยมีชื่อเสียงนะอย่าง คำขวาญของบางสำนักที่ชักชวนให้คนทําบุญกันเยอะๆเนี่ยอันที่สองส่วนนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นทันทีนะบางทีจะปรากฏหรือว่าแสดงผลก็อาจจะเป็นอีกหลายปีข้างหน้าบางทีเนี่ยมันจะให้ผลก็นอนนะพบหน้ารอให้ผลนะพบหน้ามันไม่เหมือนกับบุญประเภทที่สามนะบุญที่ หมายถึงสิ่งที่ชําระจิตใจให้ผ่องใสาหายหมลหมองเป็นสิ่งที่ช่วยชําระกิเลสนะทำให้จิตใจนะอ่าขาวรอบนะบริสุทธิ์อบุญชนิดนี้เนี่ยนะทําแล้วเนี่ยเกิดขึ้นทันทีหรือส่งผลทันทีแต่ก็ขึ้นอยู่กับการวางใจด้วยนะการวางจิตวางใจของเรานะเช่นเวลา เวลาเราให้ทานเนี่ยเราให้ทานนะเราก็นึกถึงแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับอ <c oughs> เรียกว่าปฏิคาหกนะผู้ให้นี้เราถ่ายยกนะเวลาเราให้ทา น, เ, นเราก็นึกถึงแต่ประโยชน์ของผู้รับขอให้เขาได้รับอ า, อ, าอาหารนะอาหารที่เราถวายก็ขอให้เขาได้นะ หายจากความทุกข์นะหรือว่าช่วยเป็นเลือดเป็นเนื้อเพื่อให้เขาได้ทำกิจการงานทำประโยชน์จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมหรือประโยชน์กับคนหนึ่งก็แล้วแต่นะคือเราเวลาเราให้ทานเราก็ไม่ได้หวังนะที่จะให้เกิดโชคเกิดลาภอะไรกับตัวเลยมุ่งแต่ประโยชน์สุขของผู้รับล้วนๆนะไม่ได้หวังว่าจะถูกหวย หรือว่าจะถูกลอตเตอรี่ไม่ได้หวังว่าจะมีคนมายกย่องสรรเสริญ น, นะก็คือว่าทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเข้าตัวเองอันนี้เนี่ยนะมันก็เป็นเป็นการให้ทานที่จะทำให้เกิดนะบุญประเภทที่สามนี่แหละเช่นช่วยลดนะความยึดติดถือมั่นในวัตถุ อันนี้เป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการทำบุญนะหรือการให้ทานพุทธาตัดว่าเนี่ยนะทานเนี่ยวัตถุประสงค์คือก็เพื่อลดความตนหนีความตนหนีก็คือความโลภนั่นเองเมื่อเราทำแล้วเนี่ยเราทำเพื่อที่จะละเพื่อที่จะสละนะไม่ได้คิดจะเอาเข้าตัวไม่ได้ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยแต่คิดแต่จะให้ผู้ที่ได้รับนะั่นเามีความสุขอันนี้มันก็ช่วยลดความตนหนีนะ ช่วยลดความโลภนะในใจเราเมื่อเราทําแล้วจิตใจเราก็ผ่องใสนะจิตใจเราก็เบิกบานไม่ว่าเราจะให้ทานในรูปของอใส่บาตถวายสังฆทานให้เราสังเกตดูใจของเรานะเมื่อเร า, าใส่บาตเมื่อเราถวายสังฆทานหรือเมื่อเราช่วยเหลือคนยากคนจนจิตใจเราผ่องใสเบิกบานเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าได้บุญแล้วนะบุญเกิดขึ้นกับเราแล้ว นะส่วนอนิสงส์ที่จะตามมาเช่นจะทําให้เราประสบความสุขความเจริญนะมีโชคมีลาบนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตนะจะเกิดขึ้นเมื่อไหรก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่แน่ๆคือเราทําแล้วเนี่ยใจเราสบายแต่การที่ใจจะสบายแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าให้ทานหรือว่าทําความดีโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลย แต่ถ้าบางคนทำเนี่ยแล้วก็หวังว่าเอคนก็จะเห็นเราทำหรือเปล่านะอยากจะให้เขารับรู้ให้คนอื่นเขารับรู้ว่าเรากำลังทำบุญนะบางคนก็เวลาทำอะไรก็ถ่ายรูปนะแล้วก็ขึ้นเฟซบุ๊กเพื่อที่จะประกาศอันนี้ก็อยู่ที่จุดมุ่งหมายนะถ้าต้องการต้องการโชว์ว่าเนี่ยฉันนะกำลังทำบุญนะอันนี้เรียกว่าเป็นการทาบุญที่เจอ้วยกิเลส น, นะ ก็คื อ, อยังปรารถนาจะให้คนชมหรื อ, อยังปรารถนาอยากได้หน้าได้ตาถ้าทําบุญด้วยด้วยกิเลสเนี่ยนะบุญที่เกิดขึ้นกับใจเราก็จะน้อยนะหรือบางคนเกิดความสงสัยขึ้นมานะว่าทําแล้วได้บุญไหมหรือว่าทำได้ได้บุญมากหรือน้อยเอย่ามีคนนึงสงสัยนะว่าเนี่ยเขาได้ซองกรถิ่นมานะ แล้วก็เขาก็เอาเงินใส่ซองแต่คนที่เอาซองมาแจกเนี่ยก็ไม่มาเก็บซองสักทีมาเก็บเอาตอนที่เลยวันท่อกระถิ่นไปละก็ เ, เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาจะได้บุญเท่าๆกับตอนที่อ่าให้ซองนะก่อนวันกระถินหรือเปล่าคือในความคิดของเข า, เาคิดว่าถ้าซองเนี่ยนะ มันไปถึงวัดเนี่ยก่อนหรือทันวันกะถินเนี่ยมันน่าจะได้บุญมากกว่าตอนที่ซองเนี่ยมันมาถึงหลังที่หลังวันทอดกะถิ่นแล้วเขาก็สงสัยมาถามนะในที่จริงเนี่ยนะถ้าเขาเข้าใจบุญนะประเภทที่สามเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากคือว่าทันทีที่นะบริจาคเงินหรือทันทีที่เอาเงินใส่ซองเนี่ย มันได้บุญแล้วนะมันได้บุญแล้วคือว่าได้ช่วยลดความตนนันหนีได้ลดความยึดติดถือมั่นในทรัพย์หรือว่าถ้าเขาทาแล้วเนี่ยจิตใจเขาผ่องใสนะเขาได้บุญแล้วนะส่วนคนที่เอาซองมาแจกเนี่ยจะมาเก็บซองเมื่อไหรนะั่นนั่นเป็นไม่ใช่เรื่องสําคัญนะจะเก็บช้าหรือเก็บเร็วนะบุญก็เกิดขึ้นกับผู้ให้แล้วเป็นบุญที่ใจนะ คือทําเมื่อให้แล้วเนี่ยจิตใจผ่องใสใจเบิกบานเนี่ยนั่นคือบุญชาวพูทเราไม่ค่อยรู้จักบุญประเภทนี้เท่าไหร่นะปุจจารว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขนะเมื่อเราทําความดีแล้วจิตใจเราเป็นสุขนจิตใจเราผ่องใสเราเบิกบานนะอันนั้นแหละให้รู้ว่าบุญเกิดขึ้นกับเราแล้วแต่ถ้าทําแล้วเนี่ยคอยคอยสงสยัยนะ ว่าไอ้ทำแล้วเราจะได้บุญหรือเปล่านะหรือเราจะได้บุญมากหรือเปล่านะไอ้อย่างเงี้ยบุญมันก็จะน้อยลงไปเลยเพราะว่าพอเราสงสัยในจิตใจมันก็อไม่ผ่องใสแล้วจิตใจมันหมองแล้วนะเพราะมันมีความสงสัยมีวิจิกิจฉาอยู่ว่าทําแล้วฉันจะได้บุญไหมเวลาทําบุญแล้วเราสงสัยว่าเราจะได้บุญหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้บุญมากไหมเนี่ยไอ้บุญเนี่ยมันก็หลดหายไปจากจิตใจเราแล้วเพราะความสงสัยนี่แหละ แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนสงสัยนะแ ป, แปลกแปลกสารพัดนะเวลาทาบุญเนี่ยเช่นเป็นเจ้าภาพทอากระถินนะแต่ถึงวันทอดกระถินตัวเองเป็นผู้หญิงนะก็คิดว่าจะถวายผ้ากระถินเนี่ยกับสงคงไม่เหมาะก็ให้สามีเนี่ยเป็นคนถวายผ้ากับพระสงฆ์ พอถวายเสร็จเสร็จพิธีก็สงสัยว่า เ, เราจะได้บุญหรือเปล่านะเพราะเราไม่ได้ถวายผ้าด้วยมือของเราอันนี้ยเป็นเป็นความเข้าใจเรื่องบุญที่าคาดเคลื่อนมากคือเข้าใจว่าต้องถวายกับมือนะให้ผ้ากระถิ่นนะถึงจะได้บุญที่จริงเนี่ยไม่ได้ถวายกับมือนะแต่ว่าเป็นเป็นหัวเรียวหัวแรงนะจัดงานทอดกระถิน ทำด้วยจิตศรัทธาเนี่ยมันก็ได้บุญแล้วนะถวายด้วยมือหรือไม่ถวายกับมือหรือไม่นะมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญแม้แต่ไม่ใช่เป็นคนจัดงานด้วยซ้ําเพียงแค่อนุโมทนานี่ก็ได้บุญแล้วนะบุญที่เกิดจากการอนุโมทนานในความดีของผู้อื่นอันนี้เราปฏิัติตานุโมทนาใหม่นะไม่ต้องใช้เงินเลยนะเพียงแค่ว่าเรายินดีที่คนหนึ่งเขาทำนะ เราอยากจะทําแต่เราไม่มีโอกาสไม่มีเงินหรือว่ามารู้ช้าไปเราก็นุมโมทนาอันนี้ก็ได้บุญแล้วอย่าไปเข้าใจบุญนี่มันต้องเกิดจากการใช้เงินนะมันอยู่ที่การวางใจใจสําคัญที่สุดนะจะถวายผ้าด้วยมือของตัวเองหรือไม่นะอันนี้ไม่สําคัญนะขอให้อ่าทันทีที่เราเนี่ยนะจิตผ่องใสนะใจเบิกบานที่เราได้ทําความดี อันนี้ได้บุญแล้วไอ้ความสงสัยนั่นแหละกลับทําให้เราได้บุญน้อยนะเพราะพอเราสงสัยว่าฉันได้บุญหรือเปล่านะฉันไม่ไถวายภาสตัวเองตรงนี้จิตใจมันเศร้าหมองจิตใจมันหมองแล้วจิตใจพอจิตใจหมองเนี้ยนะก็คือไม่ผ่องใสบุญก็นะเลือนหายลดไปนะไม่ถึงกับหายหมดแต่มันก็ลดไปให้เราให้เราเข้าใจนะว่าเรื่องการการทําบุญเนี้ยนะ จะไปคิดถึงแต่บุญที่จะทําให้เรารวยจะทําให้เรามีความมั่งมีให้บุญที่สําคัญกว่า น, นั้นเนี่ยคือสิ่งที่ทำรัตจิตใจของเราให้ให้สดใสนะําระจิตใจของเราให้มีความตระหนี่น้อยลงมีความยึดติดถือมั่นน้อยลงเนี่ยหรือว่ามีจิตที่เมตตากรุณาเนี่ยอย่างเช่นเราแผ่เมตตาถ้าเราแผ่เมตตาด้วยใจด้วยใจที่อ่ ปรารถนาจริงๆเนี่ยก็ได้บุตแล้วนะเพราะเหตุ น, นี้แหละนะผู้เจ้าจึงตัดว่าเนี่ยการให้การให้ทานเนี่ยนะมีอนิสงส์น้อยกว่าการรักษาศีลนะและการรักษาศีลก็มีอนิสงส์น้อยก ว, กว่าการภาวนาในะบางที่เขาตัดไว้ว่าเนี่ยแม้ ว, ว่าจะให้ทานเป็นอาหารนะถึงสามร้อยหม้อนะ ก็ยังได้บุญน้อยกว่านะการเจริญเมตตาจิตนะเพียงแค่ชั่วรีดนมโคนะการรีดนมโคเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะแต่ว่าถ้าเรานะภาวนานะแผ่เมตตาหรือว่าเจริญในเมตตาภาวนาเนี่ยแม้เพียงชั่วเวลาสั้นๆเนี่ยก็ได้กลับได้บุญมากกว่าการถวายอาหารนะถึงสามร้อยหม้อ ลองนึกภาพนะโหถวายหารสามร้อยมอนนี่ต้องทําต้องเตรียมการแล้วต้องทํานี่เป็นอาทิตย์เลยนะแต่ว่าก็ยังสู้การภาวนาไม่ได้ทําไมภาวนาถึงได้บุญมากกว่าก็เพราะว่าเป็นการชําระใจชําระจิตใจให้ขาวสะอาดโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นภาวนาแบบใดก็ตามเช่นเมตตาภาวนาเนี่ยนะมันมีผลในการชําระจิตใจนะให้ คลายจากความโกรธความเกลียดนะทให้จิตใจผ่องใสเมื่อใจผ่องใสนะใจก็เป็นบุญนะหรือว่าบุญก็เกิดขึ้นที่ใจบางคนให้ทานให้ทานเยอะแยะนะแต่ว่าไม่ได้ขัดเกลาวจิตใจแล้วก็มีนะเพราะว่าคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้นะอาจจะอยากจะได้เป็นเงินเป็นทองได้โชคได้ลาบถูกรัตติหรือว่าได้คำยกย่องชื่นชมสารเสริร์ บางทีทาไปก็งุดหงิดไปนะถวายทานหรือว่าเป็นเจ้ากิเจ้าการจัดผ้าป่าท่อกรินนะก็หงุดหงิดนะอันนี้ก็ให้รู้ว่าอา บ, บุญมันก็ตกหล่นหายไปแล้วนะเพราะว่าไม่รู้จักทําใจให้ให้ให้สงบด้วยเหตุ น, นี้เนะี่ยเวลาเวลาจะมีพิธีสังฆทานเนี่ยนะจึงมีพิธีกรรมก่อนหน้านั้นนะเช่น การ อ, าอารับศีลนะหรือว่าการกล่าวคำไตสรณะคมพิธีกรรมเหล่านี้มีเพื่ออะไรนะมีเพื่อเตรียมใจให้สงบเนะจ้าภาพที่กําลังวุ่นวายกับการเตรียมอาหารกับการเตรียมของสังกัทานเนี่ยนะพราถ้าเกิดว่าถวายสังกทานเลยโดยที่ใจยังวุ่นวุ่นอยู่เนี่ยนะใจไม่ผ่องใสเนี่ยนะบุญมันเกิดขึ้นน้อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพิธีการ เป็นเครื่องตะเตรียมช่วยให้ใจนสงบก็มีการกล่าวคํากล่าวใตาสารนาคมนะพุทธังสรนังธรรมังสรนังแล้วก็รับศีลนะการรับศีล น, น, นอกจากจะเป็นพิธีกรรมที่ทําให้ใจสงบไม่วาวุนแล้วนถ้าว่าเรามีเจตนาที่จะรับศีล แล้จริงๆนะมันก็เท่ากับว่าช่วยชำระ ก, กายวาจาก็ส่งผลให้ใจเราเนี่ยนะสงบพอใจสงบแล้วเนี่ยพอถวายสังฆทานเนี่ยก็เกิดปิติเกิดความอิ่มเอิบนะก็เรียกว่าบุญเนี่ยได้บุญเต็มที่เหมือนกับแก้วน้ํานะแก้วน้ําเนี่ยที่ถ้าเป็นแก้วเปล่าๆนะเวลาเติมน้ําลงไปเนี่ยก็จะรับน้ําได้ได้เต็มที่นะ แต่ถ้าแก้วแก้วนั้นเนี่ยมันเกิดมีน้ําอยู่ครึ่งแก้วหรือว่าค่อนแก้วแล้วเนี่ยแล้วดันเป็นน้ําขุนด้วยนะเป็นน้ําขุนๆเราจะเติมน้ําสาดลงไปมันก็รับน้ําสาดได้แค่เครึ่งหนึ่งหรือว่าหนึ่งในสามเท่านั้นแหละนะใจของคนที่ทําบุญนะด้วยความรู้สึกหม่นหมองว้าวุ่น หรือว่ามีกิเลสตัณหาเนี่ยมันก็เหมือนกับแก้วนะที่ยังมีน้ําอยู่นะเราก็เป็นน้ําที่ไม่ค่อยสะอาดเป็นน้ําขุ่นๆ น, นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมน้ําสะอาดลงไปก็รับได้น้อยน้ําสารในที่นี้ก็หมายถึงบุญนั่นแหละนะบุญดังนั้นถ้าเราต้องการจะได้บุญเต็มที่เนี่ยนะก็ต้องจำใจของเราให้สงบให้ว่าง เวลาเราจะถวายทานเนี่ยถ้าเราทําใจสงบนะทำใจให้ว่างให้เยือกเย็นเนี่ยนะพอเราทําเนี่ยนะก่อนทําจิตใจเราผ่องใสนะพอทําเสร็จใจเราเบิกบานอันนี้ก็ได้บุญละนะเลียงถ้าเป็นการทําบุญด้วยใจที่ไม่ไม่มีกิเลสเจือปนนะไม่ได้ทําเพราะาอยากได้โชคได้ลาบนะทําเพราะว่าอยากจะทำรูปบํารุงพระศาสนานะอยากจะอุปธรรมพระสงฆ์ อยากจะช่วยเหลือคนยากคนจนนะอันนี้ก็ก็ยิ่งทำให้ใหกิเลสเป็นการช่วยชาระนะความตณหนีความาหรือกิเลสตัณหาในใจเราให้น้อยลงอันนี้ก็ทำให้การให้ทานเป็นภาวนาได้เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่ า, าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะได้บุญจริงๆเนี่ยนะ ให้การภาวนาเนี่ยมันจะมีผลโดยตรงเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นการภาวนาที่ถูกวิธีนะไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะเอานะแต่ภาวนาเพื่อจะละหรือเทาภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้ตัวนะเช่นการเจริญสติการทําสมาธิมันจะเป็นการทําบุญที่มีอั น, นิสงสงมากเป็นการทําบุญที่มีอั น, นิสงสงมากเพราะว่าชําระจิตใจโดยตรง แต่ก็ต้องเป็นการภาวนาที่ไม่ได้คิดจะเอานะเพราะว่าหลายคนก็ภาวนาเพื่อจะเอานะตั้งท่าจะเอาอย่างเดียวนะอันนี้มันก็ทำให้ใหความยึดติดถือมัน่นมันก็ยังะสะสมพอกปูนในใจการทำบุญที่สาคัญที่สุดคือการภาวนานะโดยพ่าภาวนาในพุทธศาสนานะการเจริญสติปัฏฐาน การทำความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะว่าเมื่อเรามีสตินะไอก้กิเลสในใจมันก็จะเข้าม า, าครอบงําได้น้อยลงสิ่งที่จะทำให้จิตใจหม่นหมองเช่นความเศร้าความโศกความเสียใจมันก็ถูกกระจัดปรับเป่าออไปสตินี่มันก็เป็นตัวเหมือนกับอ่าขับไล่นะอารมณ์ที่เป็นพิษหมักห ม, มมในจิตใจออกไป ถ้าเราจเจริญสติอยู่เนืองเนืองมันก็จะช่วยทําให้อารมณ์อที่มันตกค้างในใจที่มันกลายเป็นพิษเนี่ยค่อยๆออกไปจากใจของเราใจเราก็ผ่องใสเนี่ยขาวรอบแต่ว่าก็อย่ามัวแต่ภาวนาอย่างเดียวนะเพราะว่าภาวนาไปภาวนามาบางทีกิเลสมันค่อยๆ ค, คลืบคลานเข้ามาในใจิตใจเราได้บางทีเราก็ต้องนะ ต้องเจริญในทานแล้วก็รักษาศีลด้วยฝรั่งเนี่ยนะเขาสนใจแต่ภาวนาอย่างเดียวเลยนะทานนี่ไม่ค่อยสนใจบางทีศีลก็ไม่ไม่ค่อยเอาเท่าไหร่สมัยที่ตมาไปวัดอมารดีที่ประเทศอังกฤษเนี่ยวัดอมารดีนี่มีฝรั่งมาภาวนาเยอะมากนะแล้วเขาชอบด้วยเพราะว่ามาภาวนาที่วัดอมารดีเนี่ยไม่ต้องเสียงเงินมีอาหารกินสินะเช้ากลางวัน แล้วก็ไม่เสียเงินไม่เหมือนที่อื่นนะไปภาวนาก็เสียเงินเป็นหมื่นหลายหมื่นแต่นี่ภาวนาฟรีนะถ้าคนไทยมาแห่มาให้ทานมาถวายสังฆทานนะแต่ไม่ค่อยสนใจนะเรื่องการภาวนาเท่าไหร่อันนี้ฝรั่งเนี่ยพอภาวนาภาวนาเนี่ยนะหลายคนเนี่ยก็เอาแต่ภาวนาแต่ว่าไม่ยอมไม่ยอมให้ทานนะ อันนี้เป็นเพราะว่ามีเงินน้อยหรือเพราะามีความหวงแหนก็ไม่รู้นะก็มีนะภาวนาแต่ว่านะมีความตันหนีนเวลาจะให้ทานก็ไม่ค่อยอยากจะให้อันนี้ก็แสดงว่ามันอ่าเป็นภาวนาที่ทำไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยลดช่วยละจริงๆเพียงแต่ทำให้ใจสงบนะพอใจสงบแล้วเนี่ยแต่ว่ากิเลสมันไม่ได้ลดลงนะเดี๋ยวมันก็วุ่นวายใหม่ก็ว้าวุ่นใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนึงที่จะตรวจสอบว่าเรามีความยึดติดถือมั่นน้อยลงหรือเปล่าคือการให้ทานฝรั่งเนี่ย น, นอกจากให้ทานน้อยแล้วนะการรักษาศีลก็ไม่ค่อยสนใจนะบางคนบอกขอขอศีลสี่ข้อพอนะนะข้อสามนี่เขาไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่ไม่เยี่ยสุกับปีที่แล้วนะศีลข้อสามคือนะการเม้นี่แหละเพราะว่าฝรั่งเนี่ยตอนนั้นเขาอย่า ง, างนิยมเรื่องการมี เพศสัมพันธ์แบบอิสระเสรีนะไม่ฆ่าสัตว์ก็ได้นะบางคนเ็ือกินเจเป็นมังสวิรัติไม่ขโมยก็โอเคก็ได้นะแต่ว่าสี่งข้อสามนี้นะขอขอไม่รับนะเพราะว่ายังอยากจะหาความสุขทางเพศอยู่ยังอยากจะมีความสุขแบบไม่มีพันธะนะสุขแบบเสรีอยากจะไปหลับนอนกับลูกเมียใครหรือลูกัวใครก็ก็จะได้สบายใจว่าเออเราไม่ได้รับสี่งข้อนี้ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะแต่ว่าออันนี้ก็เป็นเครื่องชี้ว่าเนี่ยเราจะอาภาวนาแต่ว่าละเลยเรื่องทานเรื่องศีลก็ไม่ได้ค่ะเดียวกันนะเราจะาขยันให้ทานนะแต่ว่าไม่สนใจรักษาศีลก็ไม่ถูกหรือว่าให้ทานรักษาศีแลแต่ไม่สนใจภาวนาก็ไม่ใช่มันต้องทำให้ครบถ้วนไปด้ว ย, วยไปด้วยกัน เสร็จแลภาวนาเนี่ยนะมันก็ต้องไม่ทิ้งนะการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยนะมีบางคนนะพ่อแม่นี่เหนื่อยนะทำงานบ้านเนี่ยเหนื่อยมากเลยลูกสาวนี่ไม่ค่อยช่วยช่วยงานพ่อแม่เท่าไหร่เาชอบไปวัดนะชอบไปทำบุญนะชอบไปปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมเข้าคอนี่เป็นเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะแต่ว่าไม่สนใจที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พ่อแม่ก็แก่แล้วก็คิดว่าเขาคิดว่าเนี่ยฉันช่วยพ่อแม่ทางนี้ก็แล้วกันนะคือส่งบุญมาให้ส่งบุญมาให้นะแต่ไม่ไม่มาช่วยนะพ่อแม่เนี่ยอันนี้มันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าอส่งบุญเนี่ยไม่รู้จะถึงบุญบุญเนี่ยที่ส่งมาไม่รู้ถึงพ่อแม่หรือเปล่า แต่งน้อยเนี่ยการที่ได้มาช่วยพ่อแม่่ช่วยงานบ้านรวมทั้งช่วยอ่ช่วยอรับผิดชอบนะข้าวของของใช้ของตัวเองไม่ใช่ให้แม่ทําให้นะซักผ้าก็ให้แม่ทําให้บางดีห้องนอนตัวเองนี่ก็ให้พ่อแม่ทําให้ตัวเองก็ไปปฏิบัติทำอันนี้มันก็ไม่ถูกนะเอาแต่ภาวนาแต่ว่าารับผิดชอบขั้นพื้นฐานเนี่ยรวมทั้งการอ่ ช่วยเหลือพ่อแม่คือยังไม่ต้องตอบไม่ต้องยังไม่ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เอาแค่ช่วยงานบ้านก็พอแล้วบางคนก็ละเลยไม่ใส่ใจอันนี้ก็ไม่ถูกนะทำจิตแล้วก็ต้องทํากิจด้วยนะอุตส่าห์ศาสนาไม่ได้สอนให้ทําจิตอย่างเดียวนะไม่ได้สอนให้ภาวนาอย่างเดียวแต่ว่างานการไม่รับผิดชอบบางคนพ่อแม่ป่วยนะป่วยก็ไม่มาช่วยนะไม่มาดูแลนะ แต่ว่าไปภาวนาแล้วบอกว่าจะส่งบุญมาให้อันนี้มันไม่ถูกแล้วนะเพราะว่ า, าถ้าถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยออมาเยี่ยมท่านมาแนะนำท่านในเรื่องธรรมะอันนี้ก็ยังดีกว่านะถึงแม้จะไม่ได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวไม่ได้ดูแลร่างกายท่านแต่ว่ามาให้ธรรมะกับท่านอันนี้ก็ยังดีกว่าที่จะประเภทว่าหนีนะปีกตัวไปแล้วส่งบุญมาให้ ก็ไม่แน่ใ จ, จว่าทํางั้นเนะ่ยด้วยความเพียงแก่ตัวหรือเปล่านะเพราะว่าไปไปปฏิบัติธรรมมันสบายเงี้ยแล้วยิง่งไม่ต้องมาดูแลพ่อแม่ไม่ต้องมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวพ่อแม่ไม่ต้องมาอุ้มพ่อแม่หรือว่าทําความสะอาดนะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ไม่ต้องดูแลอันนี้มันกลายเป็นหนีเป็นการห น, นีปัญหาไปซึ่งที่จริงพ่อแม่เนี่ยกำลังทุกข์กำลังลาบากเงี้ยนะมันก็ต้องลงมาช่วยนะ จะช่วยทางกายก็ก็ตามหรือช่วยทางใจก็ได้เพราะว่าการแนะนําธรรมะนี่ก็สําคัญสำหผู้ป่วยเหมือนกันพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้ทําเพียงแค่ว่าแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลอุทิศบุญมาให้หรือส่งบุญมาให้เท่านั้นนะพระองค์ก็มาช่วยมาช่วยดูแลบางทีก็มาเช็ดเนื้อเช็ดตัวด้วยพระองค์เองนะอย่างพระติสานี่พระองค์ก็มาดูแลเองบางท่านพระองค์ก็ไม่ได้ดูแลทางกายแต่ว่ามา สอนมาแนะนำในเรื่องธรรมะก็ช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจิตใจผ่องใสแม้ว่าร่างกายจะมีความเจ็บมีทุกขเวทนาก็ตามแต่ว่าใจก็ไม่ทุกขทรมานแล้วก็หลายท่านก็บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์หรือว่าบ า, บางท่านก็เป็นพระญาบุคคลอย่างทีเขาบาสกน์นะี่ได้รับการได้รับการนำนาทางนะจนกระทั่ง เห็นแจ้งในในไตลักษ์นะก็บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีหรืออย่างพระเจ้าสุโธธนะาเนี่พระเจ้าก็มาเสด็จมาดูแลนะแล้วก็มานําจิตใจของของพระเจ้าสุโธทนะซึ่งเป็นพระบิดาจนทั้งท่านได้เป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นตัวอย่างว่าพระเจ้าเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ได้แค่ส่งบุญมาให้หรือว่าแผ่เมตตาพระองค์มาช่วยด้วยพระองค์เองเลยนะดูแลทั้งทางกายแล้วก็ดูแลทางใจ ไอ้ชาวผู้เรานี่ก็ต้องน่าจะเอาพเจา้าเป็นแบบอยา่างไม่ใช่ว่าจะหลีกไปภาวานานะแล้วก็เอาแต่ส่งบุญมาให้พ่อแม่ น, นั่นมไม่ถูกต้องถ้าเราทำบุญนะอย่างถูกต้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวานาก็ตามเนี่ยให้เรามั่นใจนะว่ า, าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันคือบุญนะได้ไม่ว่า มันจะเกิดผลอย่างไรก็ตามเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเป็นของแน่แท้อยู่แล้วมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่อาจารย์พุทธทายังมีชีวิตยอยู่เนี่ ย, ยก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งแกเป็นนักแต่งเพลงนะก็อยากจะแต่งเพลงธรรมะก็ขวนขวายนะทั้งแต่งเพลงทั้งหาใสาเนื้อร้องทำนองแล้วก็ไปหาดนตรีไปหา วงดนตรีไปหานักร้องมาแล้วก็ก็จะว่าจะทำเป็นแผ่นทเป็นเป็นเทปนะเป็นเทปเพลงธรรมะวัตถุปร ะ, ประสงค์ก็เพื่อจะให้คนเนี่ยได้ได้ให้ให้ให้ธรรมะเนี่ยมันเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นโดยสายเสียงเพลงก็ลงทุนไปหลายนะแต่ปรากฏว่าขายไม่ค่อยออกนะแล้ววันหนึ่งไปสนมกก็ มาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านอาจารพุทธทาสฟังแล้วก็บอกว่านี่ขาดทุนนะขาดทุนเยอะแยะเลยอาจารย์พุทธทาสท่านก็พูดนะว่าเนี่ยการทำบุญเนี่ยนะไม่มีคำว่าขาดทุนการทำบุญเนี่ยไม่มีคำว่าขาดทุนนะถึงแม้ว่าเงินจะได้น้อยนะแต่ว่าอานิสงส์หรือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแน่นอนเลยนะเช่น บุญก็เกิดขึ้นกับผู้ทำแล้วมีเจตนาดีนะแล้วก็เสสละอันเนี้ยเมื่อทำแล้วเนี่ยบุญก็เกิดขึ้นกับตัวคนทำคนที่ฟังเพลงฟังแล้วเนี้ยนะเขาก็เกิดความศรัทธาในพระัรมหรือเกิดความเข้าใจในธรรมจิตใจเขาแช่มชื่นบางคนคิดจะฆ่าตัวตายนะพอได้ฟังธรรมแล้วธรรมาแล้วก็ได้ฟังเพลงธรรมะเขาก็ เกิดกำลังใจขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยนะมันเป็นประโยชน์ที่ตีค่าเป็นตัวเงินไม่ได้แต่ก็ถือเป็นกำไรได้เหมือนกันนะงั้นถ้าเราเข้าใจนะเข้าใจเรื่องบุญนะเข้าใจเรื่องการทำความดีเข้าใจเรื่องการทำบุญเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าขาดทุนเราจะมั่นใจเลย ว, ว่าเมื่อทำแล้วย่อมส่งผลนะอย่างนั้นแล้วก็ส่งผลที่ใจเราเองนะส่วน จะมีผลตอบแทนเป็นรายได้เป็นเงินเป็นชื่อเสียงหรือว่าเป็นตำแหน่ง น, ะนั่นอีกเรื่องหนึ่งมักคือว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีนะมักจะมีคำพูดบอกี่ยทำดีไม่ได้ดีถามว่าไม่ได้ดีเขาคืออะไรก็คื อ, อไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่มีคนยกย่องนะเจ้านายไม่เห็นความดีของเรานะแล้เคยเขาเลยร้สึกว่าทำดีแล้วมันขาดทุนอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่อง อา น, นิสงของบุญไม่เข้าใจเรื่องบุญนะเพราะถ้าเข้าใจเรื่องบุญแล้วก็จะรู้ว่าเมื่อทาดีนะให้ผลดีหรือความดีก็ย่อมเกิดขึ้นทันทีเลยนะเริ่มต้นที่จิตใจของผู้ทำนะส่วนผลที่มันจะออกมาในรูปของอชื่อเสียงเงินทองอาชีพการงานความสำเร็จเนี่ยนั่นมันเป็นเรื่องที่หลังแต่ถึงแม้มันไม่เกิดขึ้นเลยนะ ผลดีที่เกิดขึ้นกับใจของคนทำหรือผู้ที่อยู่โดยรอบเนี่ยมันก็เป็นกำไรนะที่มีค่าแล้วฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องบุญเี่ยนะมันจะมีไม่มีคำ ว, ว่าขาดทุนไม่รู้สึกว่าขาดทุนเลยมีแต่กำไรอย่างเดียวเอาละครีบเพื่อท่านี้นะกลับาพร้อมกัน